บทขอขมากรรมเพื่อการเข้าถึงรัตนจิตอันประเสริฐข้าพระเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการเหล่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมอันล้ำเลิศพระสงฆ์ผู้สืบสารสายธรรมและเหล่าพุทธบุต ผู้เป็นประดุษมหาสมุทรแห่งคุณธรรมทศทิศสามการข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมนอบถวายมวลบุปชาตอาหารเจผลไม้ทูบเทียนและเครื่องหอมทั้งปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นใดที่เป็นที่ศักการะมงชา ด้วยเหตุนี้ขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดรับเครื่องสักการะจากความศรัทธาวิริยะของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายมอบกายถวายชีวิตแด่องค์พระจินสีเมื่อพระองค์รับข้าพเจ้าทั้งหลายไว้แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายย่อมไม่หวั่นเกรงต่อชีวิตย่อมบำเพ็ญความดีแก่สัตว์ตั้งปวงและเลิกอกุศลกรรมแต่เดิมทั้งไม่ประกอบอกุศลกรรมใหม่อื่นอีข้าพเจ้าทั้งหลายถือพระพุทธเจ้าเป็นสา ร, รณะตราบจนได้เข้าถึงความหลุดพ้น ข้าพระเจ้าทั้งหลายถือพระธรรมเป็นสรณะและถือพระสงฆ์เป็นสรณะอีกพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งปวงเป็นสรณะบาปกรรมอันใดในสังสารวัฏและอกุศลกรรมใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำต่อพระพรตนตรยัยบิดามารดา หรืออุบาอาจารย์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยการปทุสรา้าด้วยการกระทำชั่วด้วยการกระทำบาปอันหนักข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดโดยสิ้นเชิง ข้าพระเจ้าทั้งหลายจักชำระการวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์แห่งรัตนจิตนี้ขอองค์สมเด็จพระต้นท่าต้นธรรมพันต้นมือพระพุทธาที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เฝ้าสวดอารัธนาประจาโปรดประทานบุญศักดิ์สิทธิ์ อำนาจสิทธิความสำเร็จกิจแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อกระทำบุญอันยิ่งใหญ่ในวันนี้